เอ่อตอนนี้ถ้าพออาสาโปรดทราบขอให้ชื่อว่า 2 ก็เป็นว่าเรื่องนี้คือเป็น เวลานี้สุปฏิติดตาเทพบุตรอยู่ที่ไหนท่านภูก็ชี้ไปด้านที่ตัวออกเสียงใต้ว่าวิมัยของสุปฏิติดตาเทพบุตรอยู่ที่โน่นถ้าหลานอยากจะ ขอท่านอินทกะท่าน 2 โปรดเมื่อเท่า 4 ท่านไปถึงวิมานของสุปฏิทิฏฐาเทพบุตรแล้วก่อนที่จะเข้าถึงเขตวิมานก็ปรากฏว่ามีท่านเจ้าของวิมานคือท่าน แล้วก็เชิญให้ทุกคนชมบริเวณวิมานก่อนท่านก็มีลีลาเหมือนเหมือนกับท่าน สุภติธิฐาเทพบุตรคล้ายๆกับของท่านมัทธิกุณฑลีเทพบุตรมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันท่านเข้าไปถึงเทพวิมานแล้วท่านเจ้าของวิมานก็เชิญให้ทุกคนไปนั่ง แล้วจุลัยก็ถามความเป็นมาของท่านว่าท่านเจ้าคะอยากจะ ศีลน่ะบริการทำลายหมดคุณธรรมความดีที่ทำอย่างแถมกลั่นแกล้งคนเค้าสร้างความดีเห็นแล้วทำเป็นไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินส่ง นั่นบอกว่าจะกล่าวถึงว่าบุญมันก็เป็นบุญเหมือนกัน แต่ว่าจิตใจจะนึกถึงได้หมดมันปวดแสนปวดร้อน ก็คิดว่าเวลานี้เค้าลึกกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ใกล้ ขอพระองค์ช่วยเราพ้นหายจากโทษภัย จิตก็ออกจากร่างอาศัย 1,000 บริวารแต่ มันมีเป็นทองคํากึ่งเกลี้ยงเครื่องประดับท่านบอกว่าท่านเจ้าคะอะไรจ้างช่างหรือว่าจ้าง เพชร진 진다 จึงแพรวพราวทั่ววิมานหมดทั้งร่างกายก็ดี ถ้ามีบุญมีกุศลพออย่างวิมานจะได้สวยมีการประดับเพชรลั่วรอบขอบ ฉันไม่ใช่เป็นเทวดาดีฉันเป็นเทวดาชั้นเลวเรียกที่เทวะเทวดาภานคําว่าภานนี้แปลว่าโง่นั่นหมายความว่าฉันมัวเมาในความเป็นทิพย์ไม่ได้คิดถึงความดีว่าความดี <c oughs> มาเอาต่างๆไม่สร้างความดีไม่สร้างบุญบารมีต่อแต่บุญบารมีที่จะได้มาจากการที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญบารมีที่มีอานุภาพมากแต่ก็ทําไปเดี๋ยวเดียวมีปริมาณน้อยฉะนั้นกลายเป็นเทวดาของฉัน เวลานั้นบังเอิญท่านหนึ่งมีนามว่าอากาศจารีเทพบุตรท่านได้ ร่างกายที่เราสมองมี 7 วันทําไมท่านจึงไม่ไปสร้างบุญบารมีต่อคือไปฟังเทศน์จากจริงๆมาดูร่างกาย แต่ถึงขนาดนี้ก็ดีในฐานะดิฉันเป็นคนดื้อเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ดื้อไปเชื่อ แล้วก็อยากจะทราบว่าการตายจากตรงนี้สัตว์แปรจินตกรรมเป็นต้นพาลงอเวจีมหานรกต้อง หลังจาก <c oughs> 4 ขุมแล้วไล่เวียนนรก 4 ขุม 4 10 ขุมหลัง 12 จําพวกมา ตอนเป็นสติฉานี่เกิดเป็นปลาเท่านั้น <c oughs> เกิดเป็นกา แล้วก็เป็นคนบ้า 500 ชาติประการดื่มสุราเมรัย 500 ชาติประการฆ่าชีวิตหลังจากนั้นไปเป็น เนื้อที่ไหลจากแต่บาปคอยอยู่มากพระอากาศจารีเทพบุตรก็บอกว่าฉันก็เป็นเทวดาเหมือนท่านช่วยท่านไม่ได้คนที่จะ <c oughs> พระ <c oughs> <c oughs> 2, <c oughs> 2> ท่านก็พากันไปหาพระอินทร์แล้วก็กราบเรียนให้ท่านสารพินทร์ก็บอกว่าฉันก็เป็นเทวดาเท่าเธอถึงแม้จะเป็น <c oughs> เพราะ 3 ท่านก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศอภิธรรมอยู่พระอิง แต่ว่าจะถ้าจะช่วยในการเทศอภิธรรมจะมีประโยชน์กับเธอมั้ยก็ทรงทราบว่าอภิธรรมเป็นธรรมะสูงเกินไปไม่เหมาะสมกับสุตติทิฏฐาที่พระพุทธเธอจะ จะเป็นที่ถูกใจและพอใจของเธอเมื่อเทศน์จบเธอจะเป็นพระโสดาบัน แต่ว่าการมาสวรรค์ของลุงก็ดีมากเหมือนกันเป็นเทวดาที่มาสวรรค์โดยไม่มีการลง แต่แต่ว่าก่อนจะตายลุงมาเทวดาได้เพราะนึกถึงองค์สมเด็จพระกนิษฐสีพุทธเจ้าเวลาลุงจะตายลุงนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่แต่ว่าคนทุกคนอย่า อย่างลุม speed to have the current planner through all mankind are responded by. Autism and test two questions, please charge of this Master Czyntekou. Yet if you're not used to anymbundism, you don't have the chance to find the CEO. Also ask that Actually take care of thewrights and prepare for people to withstand inquire because everything can be protected,otte ﷺ tasks be checked. Students start to escape when lesser จะใช้เวลาวันก็ไม่เป็นไรน้อยๆก็ได้แต่ทําแต่ทําให้เป็นอาชีพ เวลานี้มีเพชรพราวพราหมณ์อิสระปกณีด้วยมีแท่งแก้วด้วยมีต้นไม้แก้ว กำลังความดีที่ได้นี้ก็เป็นพระโสดาบันจึงได้ไม่งั้น <c oughs> หลานสามารถมาที่นี่ได้ที่มาได้ข้องกับความดีที่หลานฝึกเป็นหลานมีทานหลานมีศีลหลานมีภาวนาหลาน แต่ในเมื่อท่านมีเมตตาเห็นหลานดีท่านใช้ มองดูข้างล่างดูร่างกายของหลานเวลานี้หลานขึ้นมาที่นี่ทิ้งร่างกายที่มธาตุ 4 ไว้มันมีลมหายใจอ่อน ทั้งทั้งที่เขาไม่เห็นเทวดาแต่อํานาจของเทวดาสามารถกันยับยั้งกําลังจิตของ ถ้าดีไม่ดีแต่คนนั้นหลายเค้ายินแล้วก็เห็นเข้าเค้าจับหลานได้ 2 คนยัดใส่เมรุก็เป็นก็คือว่าเป็นศพแรก พี่น้อยเป็นผู้ใหญ่น้อยเป็นผู้ใหญ่ท่านเรียกพี่น้อยพี่น้อยเมื่อทุกข์แสนทุกข์ สมมุติภาพขึ้นมาสมมุติว่าถ้าลงลงเอา ไฟนี่ละเอียดมากมีความร้อนสูง 4 ขุม 7 ก็ ดูหมดทุกข์ของไม่มีขุนไหนมีความสุขเลยมีแต่ความ ที่ความชั่วของลุงถ้าลุงพัดลงไปต้องเถวทุกขเวทนาแบบนี้ก็ขอ แต่ลุงนี้เวลาที่เป็นคนเลวเต็มทีไม่มีกรรมอบุญมีแต่กรรมบาปบาป หรือคนเดินจากกระท่อมหรือคนเดินจากถ้ำไม่ใช่ก็ออกไปทันทีไม่รู้ออกไปมันอะไรออกไปแล้วจึงปรากฏบ้านเรา ทางไหนไปสวรรค์ทางไหนไปพรหมทางไหนไปมนุษย์เราเรียกเอาตามชอบใจอันนี้แต่ว่าความจริงเป็นไปไม่ได้มันเหมือนกับใครเค้าจับเหรียญออกมาทันทีทันใดฉะนั้นหลานรักมาที่นี่มากี่วิมานแล้วเค้าถามตุไลก็บอกว่า ถือว่าเป็นเทวดาฉลาดในการบิบุญท่านสุภติติดตามฟังแล้วก็ยิ้ม แม้แต่ทําบุญมากมายก็สามารถจะลงนรกได้เพราะกําลังใจเวลาจะตาย มีอะไรก็ถามว่าถ้าทางที่ดีคุณลุงเจ้าคะจะทํายังไงเอาแบบเบาๆเอาแบบคุณลุงดีมั้ยแค่นึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคุณลุงก็บอกว่าถ้านึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวก็ดีแต่ <c oughs> เมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้วถ้าบังเอิญจบปีกจะเทวดาไปเป็นมนุษย์หมายความว่าไม่ต้องลง สวยก็ดีก็ดีฉลาดก็ตามแต่จนก็ไม่ไม่มีไม่มีทางดีเลยทางที่ดีของทุกคนทํา ความความแผ้วพราวเป็นนิยัพสวยสดงามแม้เค้ามี เออสวยสดงามมากเป็นวิมานมากหลายจํานวนไม่จํากัดนับไม่ได้จุลัยก็ถาม ข้างในก็มีไฟสว่างข้างนอกก็มีไฟสว่างข้างในข้างในสวยสดงดงามมากไฟสุไฟ ฉะนั้นหลานรักเวลานี้ก็สมบูรณ์พูนผล